อายะที่ยี่สิเนี่ยพูดบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าเดินตามเวลาตุติอัมันอักฟัลนากอลบาหูอันวิกครีนาตรงนี้ดีมากเลยนะวัตตาบาฮาวะหูมาดูคำแปลก่อนนะคำแปลบอกว่าและจงอย่าเชื่อฟัง เวลาตุตินี่อย่าเชื่อฟังและอย่าปฏิบัติตามอย่าปฏิบัติตามอะไรมันอักฟัลนาะผู้ที่เราได้ทำให้กลอบาหูหัวใจของเขาเมินเฉยต่อการรำลึกถึงฉันคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยอย่าไปเดินตามมัน พูดง่ายๆตรงนั้นนะ่ะคนไม่เอาศาสนาคนแต่แอนตี้ศาสนาคนที่มาได้ดำลึกถึงอนะัลลอห์เนี่ยอย่าไปเดินตามมันอย่าไปเชื่อฟังมันทําไม่ทไมไม่ให้เชื่อฟังคนที่ไม่เอาศาสนาวัตตาฮาวาหูเพราะคนเหล่านั้นนะ่ะเป็นคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาเองคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของเขา เพราะอารมณ์อัลลอฮ์ให้ทุกคนมีอารมณ์หมดใช่หรือไม่ใช่อารมณ์ของเราก็มีของภรรยาเราก็มีของลูกเราก็มีใช่ไหมบางทีอารมณ์ภรรยาอารมณ์เราไม่ถูกกันก็มีภรรยาพูดอย่างเราพูดอย่างหนึ่งเดี๋ยวทะเลาะ ก, กันแต่จะหาว่าทุกคนเดินตามเอาอารมณ์ของอัลลอฮ์อารมณ์ อ, อัลลอฮ์คืออัลอัลวาฮิวะฮิกับฮาวาวะฮิกับฮาวาไม่เหมือนกันนะ อารมณ์ของเราความรู้สึกของเราเขาเรียกว่าฮาวาวัตามาฮาวาฮูเขาปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาส่วนนบีมุ h a นั่นปฏิบัติตามบัวฮีนบีไม่นบีไม่เอาอารมณ์เลยกดอารมณ์หมดแล้วก็เดินตามวฮีเราเองวันนี้ก็เหมือนกันถ้าต้องการจะให้อยู่บนโลกนี้สง่างามเนี่ยต้องเดินตามบัวฮีของอัลลอ์ที่ส่งผ่านนาบี แล้วก็คนที่ไม่เอาศาสนาคือปฏิบัติตามฮาวาตามอารมณ์อโหรห่างกันเยอะยางก้ากับดินเลยนะห่างกันนะแต่ถ้าปฏิบัติตามตามอะไรนะตามวาฮีอย่าปฏิบัติตามฮาวาฮาวาหมายถึงอารมณ์การเมือ ง, ง, งก็เหมือนกันการเมืองที่ไม่อาศัยอิสลามการเมืองที่ไม่อาศัยวาฮีเนี่ย คนที่เล่นการเมืองแบบนั้นอย่าไปเดินตามมันฉะนั้นนักการเมืองมันต้องอาศัยวะฮีทั้ว่าอิสลามกับการเมืองสอนมาสอนมของคู่กันนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นนักการเมืองเลยแหละแต่เขาไม่ชมเขาพูดว่านายนาบีเป็นทั้งนักการเมืองเป็นทั้งอิหมามเป็นทั้งอะไรนะผู้นำเป็นมันเป็นสารพัดฉะนั้น อย่าอย่าเดินตามนักการเมืองที่ไม่เอาศาสนาที่ไม่อิงศาสนาปฏิบัติตามอารมณ์เดินตามธรรมะเสียเวลาผลบุญก็ไม่มีเดินตามวัยดีกว่าใช่ไหมการเมืองที่ไม่อิงศาสนาอย่าไปเดินตามเสียเวลาผลบุญก็ไม่มีเหนื่อยก็เหนื่อยเสียเวลาเยอะดังเดินตามนักการเมืองที่มีศาสนาอิงศาสนาอันี้ดีที่สุดเลยนะ วการอามรูหูฟูรูตอและกิจการของภูเขานั้นเลยขอบเขตเห็นไหมเพราะว่างานที่ภูเขาทำเนี่ยใช่อารมณ์ตนเองตัดสินบางทีเอาอารมณ์ของยิวมาบ้างบางทีเอาอารมณ์ของยิฮูดีมาบ้างเอาอารมณ์ของจีนมาบ้างเอาอารมณ์ของฝรัง่งมาบ้างเอามาอะไรม า, มาพับมาพัฒนามาปรับปรุงยังไงยังไงก็ไม่เจริญ จะเรนก็แป๊บๆแล้วก็ต้องลงแล้วแค่นั้นเดินตามวาฮีของอัลลอฮ์ได้ผลลบุญด้วยมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยทําแล้วมีรางวัลและมีผลลบุญในวันอาคือรอ้ด้วยนะแมตั์ซิสอธิบายดีแมตต์ซิสเขาบอกว่าอย่าเดินตามคนกาเฟตคนกาเฟตเนี่ยเวลานอนนี่นะหนึ่งฟันไม่แปลงสองน้ําน้มาดไม่อาบสาม ไม่อ่านสามกุญก่อนนอนอ้าวคนกาแฟคนไหนมันจะอ่านสามกุญฉะนั้นเราอย่าไปเดินตามมันฉะนั้นนบีสอนอย่างงี้นะมันก็อ่าอายะตลกุลสีใครที่อ่านอายะกุลซีให้นายะคูะ่ดมาต่อจะอาหูก่อนที่เขาตอนนี้เขาเอาสีข้างของเขาเนี่ยถูกที่นอนก่อนตอนที่เอาสีข้าง ลงไปวางบนที่นอนเนี่ยให้อ่าน il um, uh อัลลอฮูเลอิลาฮิลลอฮุลไพลุไควลมลาตักฮุรุฮูเซนตุวะลาณาอ่านให้จบเป็นยังไงรู้ไหมอามานฮุลลออัลลอฮ์นี่เป็นฮะดีษที่นบีอ่านเองนะอัลล์จะให้ความคุ้มครองฮคุ้มครองคนอ่าน วัดอาลาดาริฮที่บ้านของเขาคุ้มครองเขาและบ้านของเขาวดาริจาริฮแล้วก็บ้านของเพื่อนบ้านเองเอาเราอ่านอยู่ในบ้านเราอัลลอฮ์จะคุ้มครองคนอ่านและคุ้มครองบ้านของคนอ่านยังแถมอีกวารดาริฮีแล้วก็บ้านของเพื่อนบ้านอีกหลังสองหลังสามหลังสี่หลัง เราไม่รู้วันหลังไหนบ้างอ่ะอัลลอฮฺจะคุ้มครองเพื่อนบ้านที่เราอยู่ข้างๆคนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเขาได้รางวัลด้วยนะอัลลอฮฺคุ้มครองเขาไม่มีปัญหาไม่ให้เดือดร้อน <c oughs> คุ้มครองอะไรไม่รู้ไม่ให้ขโมยเข้าอักุบดะไม่รู้เนี่ยอัลลอฮฺจะคุ้มครองยังมั้ยฉะนั้นคนที่อ่านเนี่ยบันนี่อ่านอ่านอ่านกันทุกบ้านเนี่ยอัลลอฮฺอักุบดะนี่ยถ้าเราเชื่อ อ, อัลลอฮฺเนี่ยเดินตามวาฮีอ่ะเดินตามวาฮี อัลลอฮ์สั่งยิบรีมมาบอกกับ Muhammad, มุฮัมมัดเลยมุฮัมมัดจะอ่านอายะคุสีนะตอนที่จะนอนเนี่ยอัลลอฮ์จะคุ้มครองบ้านของท่านแล้วก็บ้านของเพื่อนบ้านของท่านแล้วก็วาอาลีดุไยรอตีฮาวและคนที่อยู่ในบ้านด้วยอัลลอฮ์หุบปากท่านจะเดินตามคนกาเฟ่เดี๋ยวไปเดินตามไอ้คบกันค้าขายกันได้ไหมได้แต่อย่าเอานิสัยของคนกาเฟ่เนี่ย มาใช่อย่าอย่าเอาอย่าเอานะเนี่ยอายาเมือาาม่ออาทิตย์ที่แล้วนะเราห้มดุลรืล่ออาวันนี้มาดูอายาที่ยี่สิบเก้านะครับว่กูลิลฮะกุมิรับบิกอายาหนี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ดีที่สุดอ่าพอพูดอย่างนี้ คนก็แอนตี้กดูสมันยกแต่อิสลามนี่แหละเอาการนิกาอิสลามนี่มันของจริงที่มาจากใครมาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากยุโรปไม่ได้มาจากจีนมาจากไหนมาจากฟาฟาโมฮัมมัดเอ๋ยจงประกาศจงตั้ลีจงสอนอัลฮักกูออัลฮักกูกุลแปลว่าโมฮัมมัดเอ๋ยจงอะไรนะจงกล่าวเถิดจงตั้ลีเถิด จงพูดเธอจงอธิบายเธอนะอัลฮักกุอัลฮักแปลว่าอะไรสัจธรรมอัลฮักแปลว่าความจริง the truth เป็นความจริงเพราะว่าคำสอนที่มาจากอโลเป็นของจริงทั้งหมดเพราะว่าไม่มีความคิดของมนุษย์เจือปนอยู่ในคำสอนอันนั้นนี่เห็นไหมอัลฮักกุมุฮัมมัดเอ๋ยจงพูด อัลฮักกูความจริงมาถึงอิสลามเป็นของจริงมาจากใครมิรบิกุม um, มาจากพระผู้อภิบาลของสูงเจ้ามาจากอัลลอ์อิสลามนั้นมาจากอัลลอ์เรียกว่าอัลฮักกูเรียกว่าความจริงเดี๋ยวนี้ของจริงก็ของเท็จอยู่บนโลกดุนยานี่เต็มไปหมดค น, คนที่อ่านคุรานเนี่ยภาพนามาดนี่ของจริง ภาพนั่งอ่านกุรานของจริงภาพที่ตั้งใจฟังกุรานเป็นของจริงภาพลุกขึ้นนำมาตะหัยุทธเป็นของจริงภาพที่ให้อภัยกันเป็นของจริงภาพที่ทดากันทะเลาะ ก, กันเทสเหนื่อยทะเลาะกันไปเถอะเหนื่อยไหมเหนื่อยเสียงแหบไหมแหบเสียเวลาไหมเสียเวลาเรื่องเทจ อัลลอฮฺอัลอลอฮฺไม่ให้รลางวันด่ากัน ไ, ไหนอนตั้งแต่สองทุ่มเมื่อวานนี่ยยังไม่ได้ตื่นเท็ของจริงต้องลุกขึ้นตีสีลุกขึ้นแล้วนมาดอะไรนะวิเต้สักสามเรากระอัดหัดยุติสักสอนี่ของจริงนี่ของจริงเลยแหละมาหมัดเออสอนเรื่องอย่างนี้ของเรื่องจริงจริงมาจากอัลลอฮฺสามีภรรยารักใคร่กันให้อภัยกันเรื่องจริงปลุกลูกให้นมาดเรื่องจริงเห็นไหม เนี่ยไอ้ของจริงๆเนี่ยนำมาประชาจะนํามาสอนนํามาไปปฏิบัติหัวใจก็ดีอห ล, ล่อบ้านก็มีบรรยกาศของดีมีเอามาที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยนำมาปฏิบัติจะมีบรรยกัศมีความจําเจริญ น, นะวกูลฮักกูมิรอบบิคุมมุฮัมมัดเ อ, อ๋จงบอกจงเชิญชวนจงตั้บเล็กว่าไงอัลฮักกูสัจธรรมหรือความจริงนั้นมาจากพระผู้อภิบาลของสูรเจ้า ตัวเาไม่ากไปนึกอยาไปนึกเองอย่าสอนเองพยายามเอาของจริงๆมาจากอัลกุรอานนั่นแหละเป็นของที่ถูกต้องที่สุดถ้าพวกเราวันนี้ก็เอาจากกุรอานนี่แหละไปสอนแล้วก็นําเอาสุนนะของท่านนาบีไปสอนนั่นเป็นของจริงไอเกละ่กละอวกอล่ะโตคูคนนั้นพูดอิหมามนี่พูดเอาเก็บไว้ก่อนเอาเอาของกุรอานก่อนอทัศนะทัศนะอันเกเรวะเลาะอยู่เนี่ย สกุลอับทอดเนี่ยเก็บไว้ก่อนแต่หากหากจะกคุรานไม่เจอหาจากฮัดีิสไม่เจอหาจากสวาบานไม่เจอเอโต๊ะคุณว่าอย่างไงขอฟังสั้นิดนี่อย่างเงี้ได้ในเมื่อกุรานมีชัดฮัดีิสมีชัดสวาบานนบีบฏิบัติเอาจากกลุ่มคนกลุ่มคนเหล่านี้ก่อนอยากคุรบานจะมาเนี่ยของจริงและของเท็จ ของจริงเลยตั้งแต่สมัยน บ, บีอิบราฮีมเรื่อยมาเห็นไหมวัวหนึ่งตัวเจ็ดส่วนอันนี้ของจริงแพตัวเดียวได้หนึ่งครอบครัวอันนี้ของจริงที่มาจากอะไรมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮู ว, วาตาละต่อมาครับฟァมันเชฟัลยุมินดังนั้นผู้ใดประสงค์คือประสงค์จะรับของจริงไปปฏิบัติ หลังจากนบีสอนแล้วตัวครูสอนแล้วอุลามาสอนแล้วใครที่รับเอาของจริงๆนี้ไปปฏิบัติเป็นยังไงฟันยุมินก็ให้เขาศรัทธานี่อาญานี่ต้องการจะอธิบายอย่างนี้อิสลามนี่นะเป็นศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์ไม่เคยบังคับใครให้นับถืออิสลามไม่เคยไม่เคยบังคับใคร ไม่เคยใชาดาบอย่างที่พวกฝรั่งมันพูดว่าอิสลามเนี่ยฟอสเนาะฟอรสอิสลามเนี่ยบังคับชายดาบบังคับให้รับอิสลามไม่มีอิสลามไม่เคยบังคับใครให้ชายดาบบังคับให้นับนถือออิสลามเขาก็อ้างว่าดูทงซาอุดีสิมันมีดาบนั่นแหละดาบมันจบังคับคนให้นามาสดบังคับคนให้ทำความดีบังคับคนให้ใหไรนะให้นับถืออิสลามพิษ ก็ดามเป็นสัญลักษณ์คำนั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นในอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่จะบังคับคนให้นับถืออายานี้ไงฟามันชาอัฟลยุมินดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ศรัทธาและวามันชาอัฟลยุฟิศและผู้ใดไม่ประสงค์จะศรัทธาก็ไม่ต้องศรัทธาใช่ไหม นี่ยเป็นคำอธิบายกว้างๆเข้าใจง่ายๆกันว่าฟรีทิงกิงคิดอิสระคุณจะเอาไม่เอาเรื่องของคุณศัสนาทำมาแล้วอัลกุรอานให้มาแล้วนบีมุฮัมมัดมาแล้วเป็นเรื่องจริงทั้งหมดคุณจะเอาไม่เอาเรื่องของคุณแต่ถ้าเอาแล้วเป็นยังไงอัลลอฮ์ถ้ารับอิสลามแล้วเป็นยังไงอัลลอฮ์ดีหมดเลย อายต่อมาอินนาอาตัดนาลิขวลิมีนา n a r อินนาแท้จริงเราอาตัดนาเราได้เตรียมเตรียมอะไรนารนเตรียมนรกอัลลอฮไม่ได้บังคับให้นับถือศาสนาอิสลามแต่ถ้าไม่เอาอิสลามเป็นทางนำสำหรับชีวิต ผลสุดท้ายเป็นยังไงที่ปลายอุโมงเป็นยังไงอินนอาอัตาดนาลิวลิมีนะน่ารอแท้จริงเราได้เตรียมไว้แล้วนรกน่ะเตรียมไว้แล้วสําหรับใครลิวลิมีสําหรับพวกอธรรมถลงว่าไม่เอ า, าศาสนาก็เชิญไม่เอาอัลลอฮ์เชิญ ไม่เอาสุนนะนบีแอนตี้สุนนะนบีไม่ให้เข้าบ้านเชิญอินน่าอัตตดนาลิซโวลีมีนานารอแต่อัลลอฮ์เราได้เตรียมไว้แล้วซึ่งนรกคนที่รอลิมได้ไหมคำว่ารอลิมแปลว่าอาธรรมแอนตี้อาธรรมดูถูกเหยียดหยาบหัวเราะเยาะดูถูกได้ไหมดูถูกกุรานดูถูกสุนนะดูถูกสาาัฮาบะอัลลอฮ์เตรียมไว้แล้ว เหมือนกับบอกให้รู้ว่าในตัฟซีดกุตุบีในรูหุลหมานี้หลายหลายตัฟซีดเรน่รวจเช็กดูแล้วเนี่ยคำว่าฟาแมนชาอาวามันชาอาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ให้เลือกแต่ลิตตาฮดีดูวัลมาอิดเป็นคำขู่และเป็นคำขู่นะถ้าไม่เอาอิสลามคุณได้แน่ๆคือนรก แอนตี้ส nah ุนนะนบีหรือแอนตีกุรานเนี่ยอัลลอฮ์ขู่เลยนะฟาแมนชาคําแปลในะว่าคุณจะถือหรือไม่ถือก็ได้แต่ความหมายรวมๆแล้วเนี่ยเป็น ค, คําขู่คุณไม่เอาอิสลามมากํากับชีวิตคุณถูกแน่ๆถูกอะไรครับน่ารอนทุกไฟนรกเอาอัลลอฮ์ อ, อธิบายต่อไปอีกไฟนรกสภาพเป็นยังไง <c oughs> อ า, าอฮาต่อไปหิมอาฮาต่อไหิมซูรัดิกูฮะอาฮาตอแปลว่าล้อมรอบนะล้อมสกัดล้อมพวกเขาอาฮาต่อไหิมไฟนรกนี่นะมันอะไรนะสกัดล้อมพวกเขาไว้อาฮาต่อแปลว่าสากัดล้อม ในวันกี้ว่าเนี่นะนรกสกัดล้อมคนเหล่านี้ไปเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้อะไรครับสูรอดีกูฮาสุรอดีกูฮานี่แปลว่ากำแพงควันนะกำแพงของควันคือไฟี่มันมีควันใช่ไหมล่ะไอ้กำแพงของมันเนี่ยคือควันควันของไฟนรกนี่นะ ความหนาความใหญ่ความยาวของมันเนี่ยเขาว่าเดินกันเป็นประมาณสี่สิบปีนะเดินเดินทางเฉพาะควันของมันหนาทึบเลยนะเดินกว่าจะพ้นควันเนี่ยสี่สิบปีแค่ควันมันอย่างเดียวยังไม่ถึงไฟนะเห็นควันมันอย่างเดียวเนี่ยเดินในควันของมันนี่ประมาณสี่สิบปีชายเท้าเดินแบบเราเนี่ยสีปี เดินกว่าจะพ้นควันอัลลอลัะซลัออัอัลลอธิบายเอาไว้ฉะนั้นอย่าไปอย่าไปเอาเลยนรกนะพยายามออกห่างจากนารกฉะนั้นหลังนมาจะมีดูอานะอัลลอมาอินนาะอาซูบิกะมินไรนะมินมินอาดาบิจฮันนำ ah ใช่ไหมจากการลงโทษจากไฟนรกเราขอทุกวันวันหนึ่งห้าครั้งถ้านมาสุนนัดอีกขอเยอะ ขอให้ห่างไกลจากไฟนรัเฉพาะควันของมันอย่างเดียวเนี่ยเดินผ่านประมาณสี่สิบปีจนกว่าจะหมดควันแล้วก็เจอไฟนะอฮาบีหิมสูรดีกูฮาซึ่งกำบังของมันสกัดล้อมพวกเขาไว้กำบังบ่าถึงกำแพงควันที่บังไฟเอาไว้ไม่ให้มองเห็นควันไม่ให้มองเห็นไฟเนี่ยเฉพาะกำแพงของมันเลยนะ ประมาณสี่สิบปีนี่พูดย้ำไปย้ำมาให้พวกเราจำง่ายนะครับ <c oughs> สกัดล้อมพวกเขาไว้นะครับ <c oughs> ซึ่งกำบังของมันสกัดล้อมพวกเขาไ ว, <c oughs> ว้ววอียัตรีสูยุอสูบิมาอิงกลม uh <ule> ุลิววอียตัตตีสูและจะหาก พวกเขาร้องขอความช่วยเหลือคือคนที่ตกนรกเนี่ยนะคนที่อยู่ในนรกเนี่ยมันหิวหิวแล้วก็อาหารในนรกเนี่ยมันจะมีเมนูทั้งหากนะมาใช้วันเลือกได้นะอย่าบุญดวงญานอย่าเลือกได้ใช่ไหมฉันไม่เอาแกงนี้่จะเอาบูดูทอดฉันจะเอากะปิฉันจะเอาน้ําตาลก็ว่าเลือกได้หมดนะแต่นวันเกียร์มาเนะี่ยมีเลือกได้ไม่กี่อย่าง มีน้ำน้ำหนองนะมีเมนูอาหารนะน้ำหนองน้ำเลือดแล้วก็อาเจียนของชาวนรกนะวางวางอยู่อันนี้นี่เมนูคือมีสาสี่เมนูเท่านะั้นเลือดแต่แค่นี้แหล ะ, ะเอาบูดู บ, ดบูดูทอดเรามีเสร็จแล้วนะก็มีอะไรนะน้าเหลืองน้ำหนองเลือดปนน้ำเหลื อ, นลองน้ำหลงน้าหนองแล้วก็อาเจียนที่ออกมาจากคอของท้อมของคนชาวนรก แล้วก็ซา ก, กูมต้นซา ก, กูมเนี่ยเขาอูดเขากินกันหน้านี้สมัยนี้เนะี่ยไปซาอุดีเนะี่ยไปเห็นถามว่าต้นซา ก, กูมแบบไหนเขาจะชี้นี่ น, นต้นซา ก, กูมหนามมันหนาอูดกินแต่ต้นซา ก, กูมเนี่ยจะปลูกขึ้นในนรกที่ไหนไฟรงแรงมันจะงามมันจะโอ้โหสวยขึ้นสวยและเป็นอาหารของชาวนารกและทุกครั้งที่กินไปเนี่ยมันจะหิวหิวน้ํา พอหิวน้ำมันก็ขอวาอยาสตารีสูและถ้าพวกเขาร้องขอความช่วยเหลือเพราะกระหายน้ำทำไงครับอยู่กสูพวกเขาจะถูกช่วยพวกเขาจะถูกช่วยบีมาอินด้วยน้ำขอน้ำขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อย I am very very very thirsty ฉันอยากหิวหิวน้ำเหลือเกินร้องเลยใช่ไหมเขาให้ไหมให้แต่น้ำแบบไหนกัลโมฮลีเป็นน้ำน้ำอะไรนะน้ำทองแดงเดือดอห็ไหมให้ไหมให้แต่เป็นน้ำทองแดงก็นึกภาพทองแดงทองแดงที่มันละลายเป็นน้ำอะ่ะแล้วก็เทว่าอา อะไรนะดื่มไปดื่มดื่มดื่ม please drink please drink please drink drink ดื่มดืมเลดื่มเลยขอไหมขอเราก็ให้ไหมให้แทนที่จะให้น้ำแปรซีโคล่าของยาฮูดีเนี่ยนะไม่ให้เราให้ไรนะกัลโมลีเหมือนน้ำอะไรนะน้ำทองแดงเดือดผลักผลักปลักปลั ก, ล ก, ล ก, ลกเวลาให้เนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ใส่ที่ปากนะลวกข้าก่อนลวกตากศีษะลงมาเนี่ยมาถึงหน้าอ๋อ แทนที่จะเทใส่ปากกับรถหัวเลยพวดไปอยู่บนดุนยาก็กินแล้วใช่ไหมเบียกกินยังกินแล้วเบียตาชางใช่ไหมอ่ะกินแล้วกินแล้วอปไปอันเคนมุมิมเนี่ยอดทนสบัดอดทนอยู่มาแบนลำบงลำบากวันนี้ของเขามีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อัลลอ์นี่อ่านคุรานนะเค่อยอ่านทีละอายะอายะกลัวนะ วัอยอัสตาริสอิสตารอสอบแปลว่าขอน้ำเมื่อทุกครั้งที่เขาหิวกระหายกินอาหารเมนูเลือดหนองแล้วก็อะไรนะต้นซักกุมที่อูดกินแล้วมีน้ำเยอะๆเนี่ยพอกินแล้วมันก็หิวน้ำพอหิวน้ำก็ขออยู่อสูเขาก็ถูกนำเอามาให้เหมือนกันน้าแบบไหนกัลมุลี ทองแดงเดือดยาชวีแปลว่าลวกอัลวูยูแปลว่าหน้าลวกหน้าของพวกเขาใช่ไหมให้ไหมใ ห, ห, มให้แต่ไม่ได้ให้ส่งคนมาใส่แก้วมาให้เราไม่ใช่เทจากศรีรษะลงมาพรวดอลลมจะเหลืออะไรพอถูน้มทองแดงเดือดอลลอมก็ไหลหลุดเลย น, นพะพลุดดีขึ้นเต็ม พัลุดแล้วอยู่สักพักนึงก็ขึ้นเหมือนเดิมก็ล่วงอีกอลอทําร้ อ, ทรอนทังพองสารพัดนั่นร้องร้อ ง, องไม่ออกอ่ะอัลลอฮ์ให้ตายไหมไม่ให้ตายเพราะอาลัลลอฮ์เอาความตายนั้นเชื้อดีนนะตอนนี้นะทุกคนจะต้องตายหมดนะปะวันเกียร์ม า, มานะความตายหมดแล้วจะทรมานแค่ไหนก็ตามไม่ตายอยู่บนดุนยานี่ขอบคุณอลัลลอฮ์นะ ถ, ถ้าทรมานมากๆก็แค่ตายพอตายแล้วจบไหมจบถูกอะไรแก๊สในซีเรียนะ น, นะกรรกรายทรมานสุดๆใช่มพอตายแล้วก็จบแต่อย่าลืมคนที่ตายเฉีดเนี่ยมดกัดเจ็บกว่าเรามองดูสาวทรมานแต่จริงๆแล้วเขาไม่หรอกถ้าคนนั้นเป็นคนดีตายเฉีดจริงๆนะเลาจะคุ้มครองเขามดกัด เจ็บกว่านะลองเอาหมดการดูสิเจ็บไหมนะยัชวิลูยู่ลวกหน้าของพวกเขาทดลองว่าเวลาขอขออาหารขอน้ำให้ไหมให้ให้แบบไหนให้แบบนี้แหละเทพรวดตั้งแต่ศรีรษะถูใบหน้าจะเหลืออะไรละใบหน้านิ่มๆอย่างนี้อัลลอฮฺอัลลนะ บิสัชะรอป บ, บิสัชะรอบนี่แปลว่าบิซ่าแปลว่าเลวแท้ๆหรือชั่วช้าแท้ๆอัชรอบแปลว่าการดื่มน้ําของเขาเครื่องดื่มที่เลวแท้ ๆ, ๆเครื่องดื่มที่ที่ไม่ดีนะวาซาอัสมุรตฟะคอแล้วก็เลวร้ายแท้ๆที่ไรที่พำนักที่พักของพวกเขา เครื่องดื่มก็เลวที่พักก็เลวสองอย่างไม่เหลือเลยทแต่มนุษย์ต้องการอะไรบ้างต้องการหนึ่งอยู่สบายกับกินกินสบายมีอาหารกินเครื่องดื่มกินแล้วก็ที่นอนสบายต้องการแค่นี้แหละในวันเกียรมากกต้องการสองอย่างแต่มันเลวทั้งคู่บิสัชรอบเครื่องดื่มก็เลววาซาอัตมุตตะฟกอที่พำนักของเขาก็ไม่สบาย ก็คนละ ท, ทีิตอนอยู่บนดุนยาเนี่ยเขาได้ไประกอนแล้วใช่หรือไม่ใช่ได้แล้วอยู่บนดุนยาเนี่ยคนไม่เอ า, าศาสนาเนี่ยนอนบนฟูกนะเบนองอโลนาเป็นสอกๆขณะที่น บ, บีมุฮัมมัดนอนบนพื้นใช่หรือไม่ใช่น บ, บีนอนบนพื้นนะแข็งแข็งรู้ป่านอนบนนอนบนพื้นแข็งแข็งเนี่ยดีนะหลังไม่เจ็บ ไต้นอนนิ่มๆน่นะหลังเจ็บก็ต้องไปให้หมอนวดอีกนวดไม่ใช่หายเป็นเดือนนะสามชั่วโมงหาย ส, าสบายแค่สามชั่วโมงพอมาถึงบ้านเป็นนวดทีสี่อนยกตัวอย่างนะตอนนวดนะ่ะหายอ่ะเขาให้เวลาสามสามีส่ชั่วโมงพอกลับมาถึงบ้านเมื่อยต่อพอเสียเงินไปสักสามร้อยสาวฮัมดุลิลลาแม่สุขภาพดีจังกี่ชั่วโมงสาม พวกนวดจะมารู้ผมเคยคุยอ่ะหายป่ปหายเหยื่อหนูก็มีงานทําผมก็มีงานทําแต่สามร้อยห้าร้อยอนวดวันห้าคนเท่าไรโอ้โหวันเป็นพันอันนี้เป็นตัวนก็แบ่ง ก, กันใช่ไหมไอเจะขอก็ไม่ให้ต้องรักษาแบบนวดนวดนั่นแหละนะครับอืมเอาพี่น้องท่นนานอบีสสอนอย่างนี้นะ เมื่อคนกาแฟาต้องการจะขอดื่มน้ําเนี่ยเขาให้ไหมให้พอให้เสร็จแล้วเนี่ยของที่เขามอบให้ก็คือน้ําทองแดงเดือดลวกหน้าพอลวกหน้าพับเนี่ยตัสปูตูยิลดะตูวะจีหนังที่ใบหน้าและเนื้อที่ใบหน้านะ่ะร่วงเลยเพราะความร้อนร่วงเลยแต่ตายไหมไม่ตายนี่พราะอันตับซีดคนลุก ถ้าอ่านเพาะคุรอ่านอย่างเดียวแปลไม่ได้เพลินน่ะออิหมามอ่านเพราะนี้นะยะชูวลวูจูยะชูวิลวูจูเพระแปลลวกน่าบิสัสชรบไม่รู้คําแปลดีไหมดีถ้ารู้คำแปลเป็นไงขลุกเอารู้ดีเลยไม่รู้ดีไม่รู้ดีกว่านะะอยู่แบบใช้ๆนี่แหละมาโรงเรียนฟังเสียงอย่างเดียว อืมอ้าวพี่น้องเอาดูต่อไปนะซาอัตมุตตะฟกอแปลว่าที่พักที่เลวบิสชรโรบชั่วช้าแทๆ้ๆเครื่องดื่มที่เลวอยู่บนดุนยาใบนี้มนุษย์ต้องการสองอย่างกินดีแล้วก็อยู่ดีสว่วนอคัคราะกินไม่ดีอยู่ก็ไม่ดีนี่ครับอธิบายกับอุลมะนะอยู่บนดุนยาเนี่ยคนต้องการแค่สองอย่างนั่นแหละ อยู่หอพักดีมีแอร์เย็นเย็นมีที่นอนหนาหนาแล้วก็มีอาหารกินอร่อยอรอยอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันบอกเมียภรรยาทำอาหารอร่อยๆรอยหน่อยแต่ของนบีจะทำตรงกันข้ามกับเรานะทำเป็นแบบแต่เราไม่เก็ชอบมีวันหนึ่งภรรยานานบีเนี่ยเอาผ้าผ้านิ่มๆเนี่ยห้าหกผืนพับๆๆพับพับพั บ, พ บ, พบเป็นที่นอน ผู้หญิงคนหนึ่งมามอบให้กับที่บ้านนาบีพญานาบีประสงสารรักสามีนะนะเอาผ้านิ่มๆมาปูให้นบีนอนนบีก็นอนนอนคืนนั้นไม่ได้ลุกขึ้นนมาตาหัดหยุดมันหลับสบายพอตื่นขึ้นมานาบีบอกว่าคืนพรุ่นี้อย่าเอามาให้ฉันนอนนะเธอจา๋า <c oughs> อย่าเอาผ้านิ่มๆมาให้ฉันนอนเพราะฉันไม่ได้ลุกขึ้นนมะา ทหาจสุดนั่นนบีเราทําได้ไหมเราก็จะสาาั่งแบบเออไอ้ น, นี่นะดีแล้วนะอย่าเอาออกนะคือผู้นี้จะได้นอนต่ออีกอัลลอฮฺอักบะดเห็นยังอะ่ะคนที่ผูกพันกับอัลลอฮ์กับคนที่ผูกพันกับดุลยาคนที่ผูกพันดุลยาอย่าเอาออกคนผูกพันกับอัลลอฮ์เอาออก ท่านจะได้ตื่นตอนดึกๆได้เพื่อจะนมาศขอบคุณอลลอฮฺสุภาพนาบูบาตาลานึกในโลกอาคิรา์มากกว่าโลกดุจยาเอาต่อมากับอายาที่30อินนัลลรีนาอามานูว <c oughs> ่ามิลุซาลิฮะแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาอินนัลลรีนาอามานู อามานุแปลว่าผูา้ศรัทธาวาเมลุสซอลิฮัตและกระทำความดีทั้งหลายอินนัลละดีนะอมนุวามิลุสซาลิฮัตนี่อัลลอฮ์ตองการจะอธิบายอย่างนี้อายะแรกเนะี่ยอายะที่เรียนมาจบใหม่ๆนั่นเป็นการเตือนให้รู้ว่านั่นคนไม่เอ า, าศาสนาอยู่อย่างนี้แหละเชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณแต่กิยามะมีไหมมี ต้องถูกแบบนี้แน่ๆฉันไม่ได้บังคับเธอให้รับอิสลามนะเล่าให้ฟังคนไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลลอ์ไม่เอารอซูลไม่เอาซุนนะนบีถูกแน่ๆอ้าวพอเล่าจบอลัลลอ์ก็มาพูดถึงคนที่เอ า, าศาสนาเอ า, าศาสนาเนี่ยเอาอยัางไงอินนัลลาีนะอามานูแท้จริงผู้ที่มีอีมานครั้งว่าอีมานต้องอีมานกี่ข้อนะหกข้อใช่ไม่ใช่ ต้องอยู่ในใจเราเลย إ ي ม ا ن หกข้อเนี่ยสมข้อเอาไว้ในใจสามข้อเอาวางไว้ข้างหน้านึกทัน إ ي م านต่อ Allah. อัลลอฮ์ إيمان ตะวันอาคคีรออิมานต่อกดกอดอกฎกอดัตของอัลลอฮ์ต้องนึกตลอดเวลาอิมานอย่างเดียวพอไหมไม่พอครับวามิลสอลิฮัดต้องปฏิบัติความดีปฏิบัติความดีอธิบายต่อนึกเองได้ไหมความดีเนี่ยไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามใครตามสุนนะนบีมุฮัมมัดสลแลลใิัยังอื่นจะไปทำตามจะเล่นการเมืองสุนนะนบีเ ล, น เ, ลนเล่นเล่นการเมืองอยังไงอัลลอฮฺอักบัดมันจะเดินใครก็ได้ฉันเอานนั้นสมัยหนึ่งที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะฟังศาสนาเยอะอ่านคุรานเยอะต้องนึกอะไรที่ไม่อิงศาสนาฉันไม่เอาฉันนั่งเฉยๆนะครับ ทีนี้อีมานต่ออัลลอ์อีมานต่อนบีมุ hammad แล้วก็ปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีต้องทำสามอย่างนะพอทำสามอย่างเสร็จแล้วอินลานูดิอูแท้จริงเราจะไม่อัลลอฮอยู่ดิอูนูดิอูแปลว่าเสียหายสูญหายหรือเสียหายนูดิอูเราจะไม่ทำให้เสียหาย ลานูเดียวเราจะไม่ทำให้เสียหายอะไรบ้างที่เขาอีมานต่ออัลลอ์บนโลกดุนยาใบนี้อีมานของเขาเราไม่ทำให้เสียหายนมาดของเขาที่เขานมาดบนโลกดุนยาไม่ทำให้รางวัลนี่เสียหายที่เขาลุกขึ้นนามาดทหารยุทธ์ตอนตีสีรางวัลของเขาไม่หายไปไหนที่เขาให้อาภัยกับคนไม่โกรธไม่โมโห รางวัลของเขาอยู่ที่ชั้นนี้ไม่หายไปไหนเลยและนูเดีเอาเราจะไม่ทําให้สูญหายเราจะไม่ทําให้เสียหายอะไรครับอัจจรอัจรอแปลว่ารางวัลหรือว่าผลตอบแทนรางวัลของเขาผลตอบแทนของเขาที่เขาทําความดีตามสุนัขนบีนั้นไม่หายไปไหนเลยเราจะรักษาเอาไว้ มันอาศนามาแลของผู้ที่กระทำความดีอามันแปลว่าการงานอัศร์ที่ดีที่สุดเราจะไม่ให้การตอบแทนของผู้ทําความดีมันอาศนามาแลผู้ที่ทําความดีความดีของเขาไม่สูญหายไปไหนถูก เก็บเอาไว้ถูกบันทึกเอาไว้ที่เรารู้ว่ามีอยู่กี่แหลงนะสีแ่แหลงความดีที่เขาถามไว้ถูกบันทึกไว้ในสีแหล่งสีแหล่งตรงไหนบ้างหนึ่งอยู่ที่มืออยู่ที่เท้าหนึ่งแล้วนะสองอยู่ที่แผ่นดินเ อ, อิดอะไรบ้างกุณอานบ้างไงนะ ยาวมาอิดินตัวฮัตดิสุอัคบารหะวันกิยมะเราจะให้แผ่นดินเนี่ยที่เก็บบันทึกเรื่องราวของเราไว้เนี่ยเล่าให้เราฟังเล่าให้มนุษย์ฟังแหล่งที่สองคือแผ่นดินแหล่งที่สามคืออะไรคือที่มาลาอิกะแหล่งที่สี่ก็คือสมุดที่มาลาอิกะบันทึกมีอยู่สีแหล่งฉะนั้นไม่หายไปไหนเลยแค่นั้นทาง ของดีๆที่เราทำไว้ไม่หายไปไหนบันทึกไว้หมดของเล็กๆที่เราไอาหรือว่าจามอัลฮัมดุลิลลาฮฺประจามอัเชเยอัลฮัมดุลิลลาเราลืมไปแล้วเร า, าอาผลบุญที่คุณจามวันนั้นนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อัลฮัมดุลิลลาที่เราหอมแก้มภรรยาเราก็มานามาดที่นี่ผลบุญอยู่ตรงนี้ตรงนี้ เดินตามเวลาเดินตามนาบีนบีหอมแก้มภรรยาละมานามาตพวกเราถูกภรรยาเสียนํานามาตก็เชิญตามสบายถูกภรรยายิ่งอ่านนามาตออกมาถูกอีกวิ่งอ่อาบางที่ไม่ทันจมะมาพูดอ่านนามาตนะั่นแหละนะเราไม่จะว่าใครน่าเชิญตามสบายก็แล้วกันนะเอาสุนทร น, นาบีมาใช่อัลลอฮฺอักบารของที่นบีทําเป็นแบบนั้นเพื่อความสะดวกเพื่อความสบายอย่างเนี้ย นมาศตระวีหลังนมาตอิชาใช่ไหมใครทําเป็นแบบน บ, บีท่านถ้าเอาไปนมาศตอนทีสามยุ่งไหมโอ้พระคุณแก้บวชใหม่ๆไปนอนต่อเอีแล้วใครจะตื่นตอนทีสามภรยาคนเดียวที่ตื่นได้คนอื่นจะตื่นเหรนี่อัลลอฮฺให้เมตตาใช่ไหมนมาศตระวีหลังนมาตอิชาอัลฮัมดุ ล, ลิลละนี่คือความสะดวกคือความสบายที่ นำโดยท่านนาบีมุ h a ส, สัลลัลลอฮุวาสซัมลทีนี้ในสวนสวรรค์เนี่ยนะถาว่าสวนสวรรค์มียังมียังมีแล้วนะสวนสวรรค์นี่มีแล้วนะที่พวกอเมริกาพยายามขึ้นไปข้างบนมนจะไปตรวจดูถ้าเจอก่อนมึงเอ้ยงานนีนน่สนุบธงทองอยู่ที่ชั้นหมดละนะ เอาต่อมาครับอายาที่สามสิเอ็ดอุลอกละหุมจันนาตุอัดนินตัจรรมินทัหตีมุลอันฮารคนที่อยู่ในสวนสวรรค์นเนี่ยคนที่ทำความดีคนที่ปฏิบัติตามสุนนะนาบีเนี่ยเป็นยังไงอุลอยกละหุมชนลาวนี้แหละ ยันนาตุนลาหุมลาหุมก่อนลาหุมแปลว่าสำหรับพวกเขาสำหรับพวกเขาคนที่อยู่กับศาสนาของอัลลอ์คนที่มีอ ي ม ا นหกประการคนที่ إ ม م านต่อนบีคนที่ إ ม م านต่อสุนนะนบีคนที่เผยแร่สุนนะนบีปกป้องสุนนะนบีให้สุนนะนบีมาอยู่กับตัวเองให้สุนนะนบีอยู่กับภรรยา ให้สุนนบีอยู่กับลูกๆเนี่ยเป็นยังไงล้วหุมสำหรับพวกเขานั้นได้อะไรครับยันนายันนาแปลว่าสวนสวรรค์เป็นพระภูพศนะยันนาสวนสวรรค์หลายๆสวนอาดนินนะครับเอเดนสวนสวนสวนสวนสวรรค์นะเป็นที่พำนักมีอะไรบ้างตาจรีแปลว่าไหล ตาเจดีแปลว่าไหลที่สวรรค์ที่เขาอยู่เนี่ยใต้สวรรค์นั้นมินตักตีหิมใต้สวรรค์ที่ผูเขาพมนักอยู่นั้นอันหารุน่นน่ารุ น, นหน้ารอนเนี่ยอันหาาแปลว่าแม่น้ำหลายสายนี่เอาล้อเล่าให้ฟังกลัวเราจะลืม ว่าสวรรค์ที่เอาล่อเตรียมไว้ i, สำหรับคนที่ทำความดีคนที่อดทนไม่ทำความชั่วยืนหยัดอยู่กับศาสนาของอัลลอ์นี่แหละปฏิบัติตามสุนานะนะบีทุกอิริยาบทเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะให้เขาอยู่ในยันนะอยู่ในสวนสวรรค์ลักษณะของสวนสวรรค์ก็คือตาจรีมินตาฮิมุลอันเาอ ต, ตาแปลว่าใต้นะครับ บนสวรรค์เป็นที่อยู่แต่ใต้สวรรค์มีแม่น้ำไหลาสายไหลผ่านอัลฮัมดุลิเลาห์เพราะว่าอย่างนี้ฟิรโอรอูนมันก็พูดเหมือนกันภาษานี้น่ะนบีมูซาพูดกับฟาโร่บอกฟาร่เอ๋ยเชื่อฉันสิและอัลลอ์จะมอบรางวัลให้จะให้สวนสวรรค์ท่านอยู่ในสวนสวรรค์และใต้สวรรค์มีแม่น้ำไหลาสายไหลผ่าน พอฟาโร่ได้ยินฟาโรนก็พูดว่าอะไรสัลีมูลกูมิสรวาฮาิฮิลอันฮารุตาจีมินตัพตีอัฟลายุบซรุนฟาโร่ก็โตนบีมูซาบอกว่านี่ฉันนี่นะเป็นกษัตริย์นะฉันเป็นคิงนะแล้วก็ฉันอยู่ปราสาทใหญ่สวยที่ฉันสร้างเอาไว้เนี่ยแล้วก็ใต้ปราสาทฉันก็มีแม่น้ำเบกข้างๆปราสาทนี้แม่น้ำเนน ไหลผ่านอยู่คุณมองไม่เห็นเนะฉะนั้นทั้งชันมีแล้วไอ้นั่นจินตนาการจะเชื่อจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ของแน่ๆขณะนี้มีแล้วฉันอยู่ในสวนรรค์จริงๆเห็นยังฉันอยู่ในสวรรค์จริงๆอยู่ในปราสาทอย่างอย่างอย่างดีเลยใช่ไหมแล้วก็มีแม่นม้ำไหลผ่านหน้าปราสาทด้วยเห็นไหม ท่านที่คุณเล่าก็โง่หรือเปล่ายังไม่รู้จริงหรือเปล่ายังไม่รู้ลาตายจะฟื้นหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ท้านได้ของแน่ๆขนาดนี้ฉันได้แล้วฉันจึงไม่เอาของที่คุณว่าจะได้อย่างนั้นจะไดงง้ฉันไม่เชื่อเห็นไหมด้วยเหตุ น, นี้แหละอาย่านี้จึงเตือนอย่างนี้นะว่าเาตุเตะมันอัฟัลนากลบะฮูอ <คน S 1> ันซิกรีนาอย่าปฏิบัติตามคนชั่วย่าปฏิบัติตามฟาโร่เพราะฟาโร่ไม่ไม่เอาสวสวรรค์ของอัลลอฮ มันได้สวรรค์บนโลกดุนยาก็คือแค่แม่น้ำเนไหลผ่านหน้าประสาทมันก็ดีใจแล้วอัลลอวัดรู้เปล่าวันที่นบีมูซ่าขอร้องอัลลอฮฺอย่าร้อทำลายฟาโร่น่ิมันมันมันตะกบุดมันเยอะยิงมันจองหองมันรวยด้วยแล้วมันพาพวกเราไปเป็นคนเสียหายเยอะ ดิ บ, บมูซาบอกอย่อัลลอฮ์ทาลายมันขณะที่มันนอนอยู่ในวัง <c oughs> ทาลายมันปรึกษาน บ, บิสปรึกษาอัลลอฮ์ทาลายมันขณนะที่มันนอนอยู่ในวังเลยอัลลอฮ์บอกทลายไม่ได้เพราะหน้าปราสาทมีเขียนชื่อฉันไว้บิสมิกลลอฮุมด้วยพระนามของอัลลอ์ที่ปราสาทฟาโรเนี่ยมันยังนึกถึงฉันอยู่ ฉะนั้นเราก็ให้เกียดมันไม่ให้มันเป็นอันตรายใดๆขณะที่มนอนอยู่หน้าอยู่ในวังเพราะหน้าวังมีชื่อของฉันแปะอยู่เดี๋ยวฉันจะเล่นงานมันเองให้มันจมน้ำตาย <c oughs> เอาล่ะอ บ, บอกให้มูซาลุ้ด <c oughs> ี๋ยใจเย็นๆใจเย็นๆ เ, เ, เดี๋ยวตายแน่ๆไม่ใช่ตายแบบแบบอยู่ห้องไอซียูนไม่ใช่นะ <c oughs> ในทะเลอย่างนี้เป็นตัวนึงฉะนั้นในวังฉะนั้นวันนี้นะ บ้านใครที่มีอัลลอฮ์อยู่มีนามาดมีอัานคัอภีรมีศิกรูล้ละบ้านนั้นมีบ้านมีมีมีบร า, ารักัดขนาดฟาโรนเลววันไหนมีชื่ออัลลอฮ์แปะอยู่นิดนึงแล้วเก็บไปกอดรอไปกอดรอเลยครั่นั้ น, นตอนต้นที่ผมบอกว่าใครที่อ่านอายาคุซีตอนจะนอน่ะเป็นยังไงอัลลอฮ์จะคุ้มครองเขาคุ้มครองบ้านของเขาคุ้มครองใครเอกคุ้มครองเพื่อนบ้านอีกอีกกี่หลังเราไม่รู้เห็นไหย แค่อานอายะ์ครูซีอย่างเดียวนะใช่ไแล้วก็ท่านมาด้วยอ่านุรุอานด้วยซิกรุลล้อด้วยอัลลอฮฺอัลกุบะด์บ้านจะมีบรกัดแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับนั่งอยู่ในสวนสวรรค์อัลลอฮฺอักบมีแม่น้ำาหลายสายหลายผ่านเอามาดูเครื่องแต่งกายของคนที่อยู่ในสวรรค์เป็นยังไงครับ อย um ู่ฮล้นาฟีฮะฮั่ล้วนะแปลว่ามีเครื่องประดับมีเครื่องประดับนะมีเครื่องประดับประดับทําด้วยอะไรครับมินอาซาวิรออาซาวิสแปลว่ากําไรซาฮับแปลว่าทองกําไรที่ทํามาจากทองอัลลอฮฺฮุสฺสลหฮามดุลิลลาห์ ทุกคนได้ใส่เครื่องประดับหมดผ้าไหมมีไหมมีทองมีไหมมีผู้ชายอยู่บนดุญยานี้ก็เชื่ออัลลอ์เชื่อนาบีไม่ใส่ทองไม่ใช้ผ้าไหมแต่ในวันเตียมะอัลลอ์ให้ใชายได้ชายกันหมดทุกคนอินชาอัลลอ์นะครับยุฮัลล้วนาฟิฮามินอาซาวิรอมินザฮบ อาซาวิตแปลว่ากำไรมินซ่าฮับแปลว่าทองกำไรที่ทำมาจากทองวันนี้เราวิ่งหาทองกันใช่ไหมอ๋อผู้หญิงก็เหมือนกันอาลอดพุด่นดังกรพอกุ่ า, า, า, า, านนะถ้าจะให้ภรรยามีความสุขภรรยาจะดีอกดีใจมากๆานะซื้ออะไรให้ซื้อทองทองอย่างเดียวเท่านั้นแหละถต่พอถูๆพอได้ทองไปปั๊บเนี่ยยิ้มเล็กยิ้มน้อยออดีดีหมด มีอยู่คนหนึ่งเขาบอกฉันขอมีภรรยาเพิ่มเมียบ่าไม่ยอมไม่ยอมเขาบอกเอานี้ได้ไหมฉันมอบให้เดือนละบาทเงียบเงียบเงียบพอแล้วว่าโอเคใช่ไหมโอเค <c oughs> <c oughs> ก็เดือนละบาทละบาทบางเดือนก็ไม่ให้โกหกภรรยาด่าบาปไหมไม่บาพูดไปก่อนนะนะ ให้บ้างไม่ให้บ้างก็อ้างพระยาก็ใจดีอยู่แล้วเนี่นะนี่นี่มไม่จะสูตรนบีนะสูตรของคนรวยในกทมมัจะสูตรนบีนะม่จะสูตรนบีเอาต่อมาครับมาดูเสื้อผ้าอีกวายัลบาซูนและพวกเขาสวมอาภรสีย้าบันแปลว่าอาภรนะต๊บต๊บนะแซวสีย้านี่แหละสับนี่แหละซอบโซกตบ เรียกเราเรียกโตบกันนะวายัลบาซูนาซิยาบาแะพวกเขาสวมอาพรสีอะไรครับคูดร้อนสีเขียวถึงมีตรรกาศผ้าสีเขียวเอาอย่างนี้แหละเอาไปใช้เนี่ยคูดรอนแปลว่าสีเขียวจะมความจริงสุ น, นารา บ, บีนา บ, บีชอบสีอะไรสีขาวเห็นไม้มแต่ในคุรานพูดว่าสีเขียวอั น, นี่มันลิบาสไน สวนสวรรค์นู้นมันต้องเข้าใจแต่นี่ไปถามพวกตระกัดสีเขียวผ้าเขียวก็ฉันเอาจากุณอานนี่นะเสียบันคูดูรอนผ้าอภรรสีเขียวใช่ไหมก็เดินตามกุรอ่านอาลัลลอฮ์นี่มันผ้าในวันตียามะแต่ซุนนะนาบีนบีชอบชายผ้าสีขาวตายก็สีขาวฝังก็สีขาวน้ำมายก็ใส่สีขาวเห็นไหม ใส่เสื้อสีขาเข้ามาสัสยิดตลลอดดีหมดเลยแล้วก็มาตรงเขียนน่ะก็ก็อกอตอปากกอยูนมาต้องไปเชียนทั้งหลังน่ะคนยืนน้าไมก็ในวันไหนก็ตอปากก็ยู่ตลอดหัวอาคนัก <c oughs> เรี ย, ย น, นนะี่ยไปใส่นะเอาขาวๆธรรมดานี่ยนะอเอาต่อมาครับวายลบาสูนาสีบันคูดูรอแล้วก็สวมอาภรสีเขียว มินซ e e e e ุนดุสทำมาจากผ้าไหมอัลลอฮฺุอะลัยฮสุนดุสเนี่ยผ้าไหมละเอียดด้วยนะอ่าผ้าไหมละเอียดผ้าไหมมีสองอย่างผ้าไหมละเอียดกับผ้าไหมไม่ละเอียดหยาบหยาบต้องไปถามพี่น้องทางเชียงใหม่นะมินดุสมินซุนดุสนะครับวอยส์ทบบลอแล้วก็ผ้าไหมหยาบ อ๋อตัวลงว่ามีอยู่สองชนิดนะผ้าไหมละอียดกับผ้าไหมหยาบ ก, ก็เลือกเอาเราจะอ า, อาลาให้ให้ใช้นะอัลฮัมดุดลิลลาห์มุตตะกีอินนอนเอกเนกอัลลอฮุอะลกุบัตนอนเอกเนกคนอยู่ในสวรรค์นอนเอกเนกอัลลัลอรออิกบนไหนบนเตียง อัลลอฮ์วันนี้เราก็เอาเตียงที่อัลลอ์เล่านะคัร์อัลกูอ่านเอามาชา้ที่บ้านนะใช่ไหมแอย่าไปนึกว่าเตียงสวรรค์แบบนี้เนะี่ยไม่ใช่อันนี้มันอันนี้มันแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้เห็นเท่านั้นเองที่ถามว่าเอกเนกเนี่ยบนเตียงนอนเฉพาะในโลกอาคีรอบนดุนยานี้อย่าเ อ, เอกเนกทานอาหารอัลลอ์ เ, อลเกลียดนบี บ, บอกว่า อาณาฟ้าลาอาปูลูมุตตะกีอันอัมมาอนาฟ้ลาอาปูรูมุตตะกีอันฉันไม่เคยนั่งเอกเนกทานอาหารนั่งเอกเนกทานอาหารอย่าทําถามว่าสุ น, น, านาันนบีนบีนั่งทานอาหารแบบไหนนาบีจะชันเข่าขึ้นมาด้านหนึ่งปิดที่หน้าท้องเอาไว้นั่นแหละเป็นการนั่งที่ พอดีคนแก่ๆอย่างเรากินทองพุยๆท้องใหญ่ๆแต่นั่งเอกคะนกไอ้นั่งชันเข่าเนี่ยไม่ไหวนะนะแย่นะอืมฉะนั้นนั่งตามสุนท์นาบีอัลฮัมยุลลาดีที่สุดแประกานอาหารก็ไม่เยอะอืมข้วมกถังหนึ่งทานได้ร้อยกว่าคนแต่ถ้านั่งนั่งคัดสมาธินี่นะไม่ถึงร้อยนะผมกินเยอะเอ้า ตะบว่ามุตตะกีอีนะ่ะไปว่านนอนเอกเนกหรือนั่งเอกเนงเฉพาะชาวสวรรค์แต่ดุนยาใบนี้เราจะนั่งเอกเนกอลัลลอฮ์ผมเคยเห็นคนอินเดียนะเรียนศาสนาดูกันทั้งคู่เนี่ยนะเขาเอาอะไรนะอั ง, งุนอังกรนะแขวนตัวเองนอนอยู่บนที่นอนนะ แล้วก็แขวนห้อยอย่างนี้พอจะกินก็เอาปากไม่ใช้มือนะเอาปากกัดละงนอนเคี้ยวผมบก่กเฮ้ยผมทอะไรว่านึกถึงภาพสวรรค์เป็นต <c oughs> ้องอย่าทำนี่ไม่ใช่ซุนน่านาบีอะไรนอนละเอาอะไรนะเอาเอางูนแขวนแล้วตัวเองก็นอนนอนก็ผิดอยู่แล้วดันเอาปากพวกอีการนั่นแหละอีการมันกินอาหารไม่ใช้มือเปล่าไม่ใช่ใช่ไม่ม มันก็งับเลยเราก็เดินตามอิกา์วันนี้ท่านตามซุนนะนบีให้ทำไหมนะให้หยิบทีละเม็ดละเม็ดแล้วก่อนจะกราบ อ, อันบิสมิลลาห์อย่านั่งเอกเคนเอกอย่านอนเอกเคนกทานอาหารนบีนห้ามแต่มุสตักีอินนอนเอกเคนกบนเตียงนอนในโลกอละคระลอนี่เอารถจัดให้ให้เลยเอาแล้วนอนตามสบายไดเลยนะต่อมาครับเนื้อมาสระวบนื้อมาสระวแปลว่า เป็นการตอบแทนที่ดียิ่งเนี่ยมาแปลว่าโปรดปราณอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดสว่าแปลผลและบุญเป็นรางวัลตอบแทนที่ดียิ่งวาฮาสุนัตมุรตฟัฟักและมุรตัฟักแปลว่าที่พำนักฮาสุนัตแปลว่าดียิ่งอาหารก็ดีผ ล, ลบุญตอบแทนก็ดีที่พำนักก็ดีตรงกันข้ามกับคนที่ไม่เอาศาสนา อาคือราองภูเขาลำบากแน่ๆนะครับพี่น้องตกลงคนที่จะได้รางวัลตามที่อัลลอฮ์สัญญาไว้ในคัมภีร์รักุรอานสามอายาที่สามสิบเอ็ดเนี่ยต้องเป็นคนที่สบติดอดทนตกอดทนหมดเลยนะครับอดทนไปสัยระยะหนึ่งนะฝืนอารมณ์พอฝืนไปแล้วระยะหนึ่งนะความเคยชินมันก็จะตามมา พอเคยชินแล้วนะจะได้รางวัลตอบแทนจากล l ะ a h จะตามมาเยอะหมดอย่าลืมนะของที่ทําอะไรยากๆเนี่ยให้อดทนสักระยะหนึ่งออย่างลุกขึ้นนมาตาหยุดเนี่ยตื่นพยายามพยายตื่นตีสี่ตีสี่หรือตีสามสี่สิบ้าให้ตื่นทุกคืนทุกคืนทุกคืนสักระยะหนึ่งเดี๋ยวไม่ชาต์มันก็จะติดเป็นในิสัยพอติดแล้วก็แปรงฟันก็ง่ายอาบน้ําจะมาดก็ง่ายนำมาดก็ง่ายติดเป็นในิสัยแล้วก็ทําทํา เป็นอะไรนะอัลลอฮเป็นอะไรเป็นรูเชนมาถึงทำอยู่เป็นประจำานี่ยอัลลอฮอัลลอหฺก็ให้ผลลบุญกอดตายนะอย่างนี้เป็นต้นขึ้นไหนเราป่วยทำไม่ไหวเราไม่ได้ขึ้นแต่ใจมันอยากจะขึ้นผลลบุญเท่ากับขึ้นเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาอายาสุดท้ายนะครับพี่น้องอายาที่สามสองวาบลริบละฮุมมาซาลรจุไล جعلنا لي أحادي أ ح ا د ا جناتين من أعناب وحففنا بنخل وجعلنا بينهما زرع ข้อนี้ต้องการจะบอกกับนบีอัลมุฮัมเยจงอธิบายโดยการยกตัวอย่าง อธิบายด้วยการยกตัวอย่างอาธิบายด้วยการเปรียบเทียบยกตัวอย่างมันเข้าใจง่ายวบริบมบบบบบบบบบบบบบบบบียบยบนนบดดบมมบบบหบบหบนบบบบบบบบบกบวบบบาบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ่บบบบบบบอบบบนบบรบบบบบบบบบบบบบนบบบบบบบบบบบบบบบนบบบบบ อธิบายให้พวกเขาเข้าใจง่า ย, ายๆดังนี้วัตริบลาหุมมาซาลันมหามาตยเ อ, อ๋ยจงเปรียบเทียบจงอุทาหอนนะครับยกตัวอย่างอุทาหอนหนึ่งให้พวกเขาเขได้เข้าใจร อ, อยูลไรนี่โดยให้คุยอย่างนี้ว่ามีชายสองคนมีชายสองคน คือในตัฟซิดอธิบายไว้อธิบายอย่างนี้นะชายสองคนเนี่ยมีความหมายถึงสามรายการนะรายการที่หนึ่งก็คือคนในสมัยบานีอิสราอลก่อนหนะ้นาอับีุลมฮัมหมัดนะสมัยนี้นะนบีมูัมอีสาสมัยมนะู้นก่อนมฮัมหมัดนะมีชายสองคนหรืออธิบายว่าชายสองคนที่นครมักกะก็ได้อ่าสาม ชายสองคนอีกคนหนึ่งเป็นกาเฟสและอีกคนหนึ่งเป็นมุมินเอาคนเอาคนสองคนมาอธิบายเป็นการกรณีตัวอย่างในตัปสินอธิบายบอกว่ามีชายอยู่คนหนึ่งนะเป็นมุมินอีกคนหนึ่งเป็นกาเฟสชายสองคนนี้ได้รับมรดกมามาจากยอมาจากยอมาจากพ่อ คือครอบครัวนี้นะมีลูกชายสองคนยศตายพ่อตายก็ทิ้งมรดกเอาไว้แล้วมรดกนี้ก็แบ่งกันแบ่งกันลูกลูกนะแถาๆกันนั่นแหละพอแบ่งเสร็จแล้วเนี่ยลูกเขาอีกคนนึงเป็นกาเฟสนะและอีกคนนึงเป็นมุมินเขาเลี้ยงลูกเก่งนะอีกคนนึงเป็นมุมินอีกคนนึ่งเป็นกาฟนะกนนเฟสกระทั้งว่าเลี้ยงลูกเก่งเลยมีสาวสองสาวนาในบ้านเดียวกัน ราจะอ่านอย่างนี้นะเอาเป็นมุมินทั้งหมดเลยเอาละอีกคนหนึ่งเป็นมุมินลูกชายอีกคนหนึ่งเป็นไม่เอาศาสนาได้มรดกมากจากพ่อคนที่มีศาสนาเนี่ยพอได้เงินมานก็ น, นึกถึงฟีซาบิลลา่าทำบุญบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนใช่ไหมบริจาคบริจาคบริจาคบริจาคเงินเกือบๆจะหมดนะ ไอพี่ชายนี่ก็มาตำหนิบอกเอ้ยเอ็เองนี่โง่ามากเลยได้บรดลกมาไม่ทำเหมือนฉันแหละฉันเนี่ยนะไม่เคยบริจาคให้ใครเลยเอ็งเนี่บ้าให้สุรา ด, ดูดูดูไปให้สุราให้ทำไมให้โรงเรียนให้ทำไมไปเรียงเดียกกำพระาเรียกมันทำไมให้มันตายไปไม่ใช่ลูกหลานเรา ตําเนียกคนที่บริจาคนะ่ะแต่ส่วนตัวเองเนี่ยไปซื้อสวนเอาไว้ได้เงินมาดกมาซื้อสวนเลยไม่เคยให้ใครสักบาทหนึ่งไม่เคยให้ใครเลยนะแล้วก็สวนนี่นะอัลลอฮฺให้นะอัลลอฮฺเจริญงอกงามเลยแล้วก็ระวางต้นไม้ก็มีผลไม้มาอีกนะทีพ่พวกเราปลูกยางวันนี้ใช่ไหมระวาง ต, ต้นนี้กับต้นนี้ปลูกผลไม้อีกอะ่ะเดินตามกุงอานนี่แหละ ปลูกพริกบ้มามะนาวบ้างใช่ไหมจนกว่าเจ็ดปีนะ่ะจนกว่าจะเกียยางได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันมีผลไม้อลลอมีต้นอ ง, งุ่นกับอินทผาลามัมออลลอสองต้นใหญ่มากเลยอาณาบินบินนัาขลินอินทผาลามัมกับต้นอ ง, งุ่นเจริญงอกง า, ามแล้วก็คนที่มีสวนอ ง, งุ่นสวนอินทผาลามัมยังนะไม่เคยช่วยเหลือใครเลย่ะไม่เคยช่วยเหลือใครเลยและเป็นยังไงคําอธิบาย ไอคนที่ร่ำรวยคนนี้ไม่เอาศาสนาส่วนน้องนั่นเอาศาสนาพี่ชายดาน้องตําหนิน้องว่าเอาศาสนาทําไมเอาแล้วเนี่ยต้องมาบริจาคให้คนนั่นดูแลคนนี้แต่ตัวเองอยู่ลำบากลำบากดูสิอยู่บ้านรักเล็กๆเดินมาสุราอภาพไม่สวยเลยดูฉันนี่ศาสนาไม่เอาอรอเห็นไหม ร่ำรวยแล้วก็ฉันคิดว่านะตายไปแล้วในวันเกียรมาฉันก็ดีกว่าคุณนะ่ะและ้วนเดี๋ยวอ่านไปจะเจอนะอนาอัอศรุมิงกามาลฉันใ่มีเงินมากกว่าคุณนะดูถูกน้องสรุปแล้วเนี่ยนะสรุปแล้วนะไอ้ผู้ชายคนที่คุยจะกบดโอ้อวดเยออหยิ่งจองหงกับคนที่จนกว่าเนี่ยนะอลัลลอฮฺทำลายคนชั่วแบบ และต้องการจะบอกว่าดุนยาใบนี้เป็นโลกแห่งการทดสอบเท่านั้นเองเป็นโลกแห่งการทดสอบเท่านั้นเองว่าใครบ้างจะชุ ก, กต์ต่ออัลลอฮ์ใครบ้างจะเนรคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบฉะนั้นอายานี่เราเรียนแค่หนึ่งอายานาะพี่นอ้องหย่า น, นาหรือาหาดีมาหนึ่งในสองคนนั้นเราให้เขามีสวนสองสวน สวนหนึ่งเนี่ยมาจากอินดพัดำอีสวรหนึ่งมาจากต้นอา ง, งุ่นวาจาลนาใบนาหูมาซาลาและเราได้ทําให้มีพืชพันธุ์ระหว่างสวนทั้งสองนี้ด้วยเล่าแค่นี้เราเรียนจบพอดีเล่าให้ฟังนิดนิดว่าคนที่มีศาสนาเขาดูแลศาสนาของอัลลอฮ์คนไม่เอาศาสนาเขาดูแลสวนของเขาอย่างเดียวไม่ดูแลศาสนา ถามว่าระหว่างคนที่ดูแลาศาสนาก็ดูแลสวนอย่างเดียวใครเรยวกว่ากันอยู่บนดุนยานี้แน่อนอนไอ้คนที่ดูแลสวนสามวามันโก้นะฮัโลโหลแต่ไม่เอ า, าศาสนานำมาด ก, ก็ไม่เอาบริจาค ก, ก็ไม่เอาญาติพี่น้องก็ไม่เอาใช่ไหมรวยไหมรวยแต่รวยแล้วตกนรกและอีกคนหนึ่งเอ า, าศาสนาแต่ฐานะยากจนหน่อยคนนี้เป็นคนที่สง่า ง, งามบนโลกดุนยาไป อาศัยอัลกุรอานความรู้ที่ที่จะเรียนจากอัลกุรอานเอาอินชาอัลลออาทิตย์หน้าจะอธิบายว่าคนที่เอาศาสนาเป็นยังไงแล้วคนที่มีสวนแล้วก็ร่ำร่รวยแล้วก็ดูถูกคนยากคนจนแล้วคุยตะกบดโอ้โหว่าฉันเนี่ยอานะ I have more than you ฉันมีมากกว่าคุณตังเยอะมันนี่มีมากกว่า House b u f u l บ้านสวยดีกว่าคุณตังเยอะ Lapenya n gaya anak aku, aku a d i n a insya Allah. Subhanallahumma bihamdi kasyolailah ilah, ilah anda. Astagfiru kubaidohuillaih wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.